เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณละออนะคะที่บีขออนุญาตนำมาจากทางด้านของกระทู้พันทิพย์นะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเปรตที่ยอดพระปางแล้วก็เปรตนเปิลค่ะคุณละออบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะขอตั้งกระทู้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหน่อยนะคะอาจจะมีเขียนเรื่องหลอนลงไปบ้างพวกคุณเชื่อเรื่องบาปกรรมหรือคนทำบาปมากๆตายไปแล้วกลายเป็นเปรตไหมคะ ส่วนตัวเรานั้นเราเชื่อนะคะเพราะว่าทางบ้านเราเขาสอนให้เชื่อเรื่องบาปกรรมมากๆแล้วก็จะได้ฟังนิทานธรรมเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วพวกคุณเคยได้ฟังเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่ามันเป็นการกระทําที่แปลกๆเป็นความเชื่อของคนแถบบ้านเราว่าตอนกลางคืนให้เอาเข้าวต้มมัด มามัดที่เอวแล้วก็เดินวนรอบโบส3าครั้งเดินทวนเข็มนาฬิกานะพอเดินครบสามรอบหันหลังให้โบสแล้วให้มองลอดใต้หวางขาดูจะเห็นเปรตเอื้อมมือมาหยิบข้าวต้มมัดที่เอวเรา เราเคยฟังเรื่องนี้จากคนแก่ๆที่อยู่บริเวณวัดแถวบ้านวัดบ้านเราก็จะมีพระปรางที่เก่าแก่มากจะขออธิบายลักษณะรอบๆวัดนะคะโบสถ์จะอยู่ตรงกลางพระปรางจะอยู่ทางขวามือทางซ้ายมือจะเป็นสาลาการป ร, ริยนและหน้าวัดจะมีพื้นที่เดินกว้างๆพอที่จะให้รถยนต์เข้าได้แล้วก็จะมีคลองหน้าวัดตรงจุดที่เป็นคลองเมื่อก่อนเขาใช้ เรือในการสัญจรแล้วก็จะมีการพายเรือขายของกันพอมีการขายของมีการพายเรือขายในน้าแล้วข้างๆตลิ่งก็จะมีร้านค้าอยู่ซึ่งสมัยก่อนพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเปิดร้านกันมาตั้งแต่เช้ามืดก็จะต้องเอาของมาตั้งเตรียมร้านก่อนมีอยู่วันหนึ่งคุณละออบอกว่าไปงานศพ คือคนแถวนั้นเขารู้จักกันหมดเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยใหญ่คนทีอ่อยู่ในหมู่บ้านก็จะรู้จักกันทุกคนเวลามีงานบุญหรือว่างานศพเขาก็จะมาช่วยกันคุณละออก็ไปกับญาติค่ะ พอจบงานศพเขาก็นั่งจับกลุ่มคุยกันคุณละออบอกเราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นักแต่ว่าหูมันดันสะดุดอยู่ตรงที่ว่ามีลุงคนหนึ่งพูดถึงเรื่องเปรตขึ้นมาลุงคนนั้นแกออกจะเมาหน่อยๆเพราะว่าเขาจับกลุ่มกันดื่มเหล้าด้วยลุงแกก็จะพูดว่าพวกเองเชื่อเรื่องเปรตไหมทุกคนในนั้นก็เงียบขึ้นมาทันทีรวมทั้งคุณละออด้วยเหมือนพร้อมที่จะฟังนะคะ ลุงแกก็เลยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตให้ฟังหลายเรื่องค่ะแกบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเขาไปซื้อของกลับมาแล้วก็เอาของมาไวที่ร้านแต่ไม่รู้ว่าแกคึกอะไรถึงเอาของมาไว้ที่ร้านตอนตีสองร้านอยู่หน้าวัดนี่แหละมันก็ได้ยินเสียงดังวี ก็นึกว่าเป็นเสียงลูกหมูตัวเล็กๆหรือเปล่าที่มันร้องอีดอีดก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนมันหันมามองที่พระปรางก็ตกใจเพราะว่ามันบอกว่ามันเห็นเปรตยืนอยู่ข้างพระปางเท่านั้นแหละข้าวของตกน้ําหมดเลยคนมันตกใจอ่ะเนาะไข่หัวโกรนไม่ได้ขายของมาตั้งหลายวันลุงแกก็ยังเล่าอีกค่ะว่าวันก่อนนู่นข้าไปนั่งกินเหล้าที่บ้านพี่คนหนึ่งมาแต่ว่าข้าไม่เมาเลเว้ยข้าเดินผ่านพระปางก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่ง ยืนใส่เสื้อสีออกแดงๆยืนอยู่ข้างพระปางข้าก็หยุดมองสักพักถ้ามองไปมองมามันตัวมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆข้าไม่โง่อยู่หรอกข้าวิ่งตั้งแต่มันเริ่มสูงแล้วลุงแกพูดไปแกก็หัวเราะไปนะยฮะเสียงดังกว่าใครเพื่อนแล้วก็เหมือนกับพูดแนวท้าทายลุงคนนั้นว่าแกแน่จริงเปล่าถ้าแน่จริงไปเดินรอบโบสถ์ตอนนี้ไม่ล่ะ ก็ขอเรียกลุงคนนั้นว่าลุงเปียกละกันเนะะีคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนลุงเปียกแกฟังคาท้ามีหรือจะไม่กล้าค่ะยิ่งตอนนั้นเพื่อนเยอะซะด้วยรวมทั้งกําลังกลุ่มๆเ ม, มาแล้วตอนเวลานั้นมันก็ไม่ดึกมากประมาณ3ามทุ่มกว่าค่ะลุงเปียกแกก็เดินไปที่โบสถ์แล้วพวกลุงของเราก็เดินตามไปดูก็ไม่รู้ว่าพวกแกคิดอะไรกันอยู่เหมือนกันนะะ่ยนะคะถึงมาท้าทายกันเรื่องแบบนี้ แต่ว่าคุณละออบอกว่าเราไม่เดินไปหรอกเรากลับบ้านก่อนกลับไปกับป้าเราค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในเวลาต่อมาจนมาถึงตอนเช้าคุณละออบื่นขึ้นมาก็ได้ยินป้ากับลุงคุยกันตามปกตินีคะแล้วคุณละอาก็เลยถามแกบอกเมื่อคืนเป็นไงบ้างลุงลุงเปียกก้ยแกเดินไปจริงไหมแล้วเจออะไรบ้างหรือเปล่า ก็ขำกันค่ะแต่ว่าลุงเราขำไม่ออกคือสีหน้าลุงเนี่ยไม่ยิ้มเลยแถมยังทำหน้าแบบกลัวๆอีกด้วยลุงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนไอ้เปียกมันเดินไปวนรอบโบสถ์อะนะมันไม่ได้เดินอย่างเดียวมันเดินไปเอาไม้เคาะพื้นตอนเดินไปด้วยแล้วมันก็ยังพูดด้วยนะว่าผีหรอออกมาสิมันเดินไปรอบหนึ่งลมก็เริ่มพัดแรงขึ้น พวกลุงก็ได้ยินเสียงดังวีดคือมันดังมาจากทางพระปรางยังเดินไม่ทันครบสารอบไอ้เปียกมันบอกให้พวกลุงวิ่งเข้าโบสด เ, เร็วเปรตมาพวกลุงก็หันไปมองทางพระปรางก็เห็นเปรตจริงๆตัวสูงสูงมากสูงกว่ายอดพระปางอีก ผอมแห้งตาทะลนมีสีของตาเนี่ยก็เป็นแดงแดงเหมือนดวงไฟแล้วก็มีเหมือนผ้าแดงอยู่ตรงเอวมันด้วยมีปากจุ๋จูพวกลุงก็เลยรีบวิ่งเข้าโบดแล้วก็นอนในโบทนั่นแหละพอเช้าลุงถึงได้เดินกลับมาบ้าน นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจากลุงอ่ะนะคะจริงเท็จประการใดก็โปรดใช้วิจารณญาณรับฟังด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ฟังมาจากลุงเหมือนกันซึ่งข้างๆบ้านเก่าของลุงเนี่ยก็จะเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งไม่ใหญ่มากเป็นบ้านของนเปิลชื่อสมมุตินะคะ บ้านหลังไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยใหญ่พอสมควรนเปิ้ลแกอยู่กับแม่2คนแล้วเวลาออกไปหาปลาแกก็ชอบขังแม่ให้อยู่ในบ้านคนเดียวกว่าแกจะกลับก็มืดแล้วก็มีกับข้าวเก่าๆบูดๆทิ้งไว้ให้แม่กินอย่างเดียวแม่แกก็แก่มากและบ้านของน้าเปิ้ลสมัยนั้นคนแถวบ้านเขาจะสร้างด้วยใบายจากสร้างด้วยไม้ไผ่มีอยู่วันหนึ่งค่ะน้าเปิ้ลขังแม่ไว้ในบ้านคนเดียวแล้วแม่แกคงอยากจะออกข้างนอกมั้ง แม่แกก็เลยค่อยๆเอามีดเนี่ยฟันใบจากออกเพื่อที่แกจะได้ออกมาข้างนอกบ้างแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกนะคะเพราะว่านาเปิลเนี่ยแกเข้ามาเจอพอดีแกเห็นแม่กําลังใช้มีดฟันฝาบ้านอยู่แกก็เลยปรีเข้าไปทุบตีแม่ของตัวเองอย่างทารุณค่ะแกตีแม่แกทุกวันให้แม่กินแต่กับข้าวบูดเป็นประจำจนแม่แกเสียชีวิตด้วยโรคชาราในเวลาต่อมานะคะแล้วก็มีอยู่วันนึ่งค่ะนะเปิลแกออกไปหาปลายอย่างเดิมแกลงไปงมหาอะไรก็ไม่รู้ แล้วแกก็จมน้ำตาย หลังจากที่แกตายไปได้ประมาณเกือบปีค่ะที่ดินตรงบ้านของนัเปิลก็รกร้างแล้วก็มักจะมีคนได้ยินเสียงดังวีดนะคะเหมือนเสียงของเปรตบางคนก็บอกเสียงที่ได้ยินน่ยคือเสียงของนัเปิล น, นี่แหละคือชอบทุบตีแม่ตายไปก็เลยกลายเป็นเปรตชดใช้กรรมอยู่ตรงที่ดินผืนนี้ก็ได้ฟังมาประมาณนี้นะคะส่วนใครจะมีความเชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรก บ, บาปบุญคุณโทษอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาแชร์กันต่อได้นะคะ ทีนี้มาฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของร้านเล่าของยายเขียวนะคะพอใกล้จะถึงวันสงกรานในทุกๆปีเพื่อนๆที่ไปทํางานในกรุงเทพหลายค น, นะคะ่ะก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวตัวเองและส่วนใหญ่เนี่ยคะเพื่อนๆก็จะแวะมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านเป็นประจําปีนี้ก็เช่นกันเพื่อนบางคนนี่กลับมาถึงก่อนสงกรานสองสาวันก็แวะมาหาโทรตามเพื่อนคนโน้นคนนี้ให้มาเจอกันที่บ้านในตอนเย็นไม่นานลานหน้าบ้านนีคะก็เต็มไปด้วยหมูกระทะกับญาติกลุ่มนึงแล้วก็กลุ่ม เพื่อนๆค่ะที่นั่งกินหมูกระทะกันอีกกลุ่มหนึ่งพอเริ่มพลบค่าสักทุ่มเศษกลุ่มญาติญาติแล้วก็กลุ่มเด็กๆเขาก็อิ่มกันก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนก็จะเหลือแต่กลุ่มเพื่อนๆหกเคนค่ะที่แย่งกันพูดราวกับว่ามันไม่เคยคุยกันมาก่อนจนไม่รู้นะคะว่าจะฟังใครคุยกันไปก็ชนแก้วกันไปก็ย่างหมูกันไปนะะีคะพอสองทุ่มเพื่อนบางคนค่ะที่ไม่ได้ไปทํางานกรุงเทพเมียก็มาตามกลับบ้านแต่ว่าเพื่อนที่กําลังติดลมค่ะสุดท้ายก็เลยชวนเมีย นั่งรวมวงด้วยช่วงนั้นกินกันไปดื่มกันไปอะไรหมดก็วานให้เด็กในบ้านไปซื้อมาให้จนเริ่มสามทุ่มกว่าหลายคนเริ่มอืดๆและะ้วค่ะนั่งซึมกันได้แต่มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาก็ดูในตาพวกมันแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากูย่อยแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวดูกูด้วยดูกูด้วยประมาณนี้เนะะี่ค่ะ แต่ว่าอยู่ๆค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งก็เฮ่ขึ้นมองไปหน้าบ้านก็เห็นไอ้จ่อยมันเดินยิ้มเข้ามาค่ะเพื่อนก็ต่างเรียกให้เข้ามานั่งใกลๆ้ๆขยับขยายวงให้มันนั่งได้ก็ถามกันไปบอกเฮ<ะ>้ยกลับมาแต่เมื่อไหร่วะเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี่แหละคิดถึงพวกมึงมากก็เลยแวะมาหาก่อนหลังจากนั้นก็คุยกันยาวเลยค่ะเพราะว่าไอ้จ่อยนี่เป็นคนตลกสุดในกลุ่มกินกันไปจนเกือบเที่ยงคืนเล่าก็หมดน้ำแข็งก็หมดกับแกล้มก็หมดเพื่อนบางคนก็กลับไปก่อนเพราะว่าเมียชวนกลับ ก็เหลือนั่งกินอยู่ประมาณ4คนซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าตาเนี่ยลายมองเห็นหน้าเพื่อนเป็น2หน้าแล้วแต่ก็ยังไหวค่ะสู้เสียงแต่และคนนี่อ้อแออ้อแอคุยแข่งกันไม่มีใครฟังใครมีแต่คนแข่งกันคุยเนะะี่ยคะพอเห็นว่าของกินหมดแล้ว เพื่อนติดลมอยากดื่มต่อก็เลยอาสาจะไปซื้อของกินแล้วก็เครื่องดื่มมาให้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยมันก็เข้านอนกันหมดแล้วก็เลยยืนขึ้นแล้วก็เดินเซไปแทบจะล้มหัวขำำําจนไอ้จ่อยเนี่ยมันมาช่วยพยุงจับตัวไว้สุดท้ายมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันไปซื้อให้เองมันยังไม่เมาเท่าไหร่ก็เลยบอกไปบอกเอามอเตอร์ไซค์ขี่ไปซื้อไม่นานก็ได้ยินเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไป หายไปครู่ใหญ่ค่ะไอ้จอยมันก็กลับมาพร้อมเครื่องดื่มกับน้ำแข็งแล้วก็ถุงขนมถุงละ5บาทก็เลยถามไอ้จอยบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงไปซื้อจากร้านไหนดึกป่านนี้ละร้านมันยังเปิดอยู่เลยวะ mm. กูก็ซื้อมาจากร้านยายเขียวไงจอยบอกจากนั้นก็นั่งกินกันต่อไปอีกพักใหญ่เกือบตีสองค่ะไม่ไหวละตาจะปิดเสียงนี่อ้อแอทุกคนเลยพูดไม่รู้เรื่อง แต่ว่าไอ้เพื่อนสามคนนี่มันคึกมาจากไหนของมันก็ไม่รู้ยังจะลากยาวอีกค่ะจนต้องร้องขอมันบอกเฮ้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนกูไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะตื่นเช้ามาช่วงสายหน่อย ก็เลยตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมายืนดูอนุสร์สถานที่ตัวเองกับเพื่อนสร้างไว้สภาพนี่เละไปทั้งลานเลยแล้วก็เอาเก็บเอาพวกขวดพวกขยะต่างๆไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านพวกน้องๆพี่ๆนะี่ยเขก็เข้ามาช่วยเก็บนะคะช่วงที่กําลังเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านอยู่ๆก็เห็นรถคล้ายรถตํารวจค่ะวิ่งผ่านหน้าบ้านไปแล้วก็มีรถคล้ายกับรถมูลและนิธิขับตามไปด้วยก็เลยยืนดูอยู่สักพักไม่ได้ใส่ใจอะไรก็กลับไปเก็บกวาดหน้าบ้านต่อสักพักได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมา คุยอะไรกันอยู่สองสาคนก็เลยเดินออกไปดูถามคนกลุ่มนั้นบอกมาจากไหนเขาก็บอกมาจากบ้านยายเขียวก็เลยถามบอกไปทำอะไรกันคนกลุ่มนั้นตอบจะไปซื้อดอกไม้มาจัดงานที่บ้านยายเขียวนะ่ะอา้าวมีงานอะไรกันก็เลยถามกลับไปก็เมื่อคืนนี้ประมาณ4ี่ห้าทุ่มยายเขียวแกอยู่ๆแกช็อกเกรงลูกๆแกก็เลยพาแกส่งโรงพยาบาลแต่ช่วยไม่ทันไปถึงแกก็ปากเขียวแล้วหน้าเนี่ยคล้าหมด หมอก็ช่วยยื้อชีวิตแกไว้ได้แค่เที่ยงคืนแกก็ไปเนี่ยรถมูลและนิธิเพิ่งจะเอาศพมาส่งบ้านตะกี้เองลูกแกก็ตามมาให้พวกฉันไปช่วยเขาหน่อยพอได้ฟังจบนี่ขนลุกเลยคุณผู้ฟงังเอา้าแล้วไอ้จ่อยมันไปซื้อเหล้ากับใครให้พวกเรากินวันเมื่อคืนพอนึกถึงไอ้จ่อยที่ไปซื้อเหล้ากับยายเขียวตอนเที่ยงคืนแล้วก็ฮึมคุณผู้ฟงังเอ้ยขนลุก ไอ้จอยเอ้ ย, อยมันจะรู้ไหมว่าที่มันไปซื้อเหล้าเมื่อคือนเนี่ยคือมันไปซื้อเหล้ากับผีรู้แบบนี้แล้วก็เลยรีบเก็บกวาดหน้าบ้านจนเสร็จค่ะแล้วก็ไปพูดกับญาติญาติว่าเยะเขียวแกเสียแล้วเมื่อคือนนี้ญาติก็เลยแต่งตัวแล้วก็เตรียมไปช่วยงานศพที่บ้านเยะเขียวกัน ส่วนตัวของผู้เล่าเองนะคะก็แวะไปตลาดเช้าหาซื้อของกินช่วงเช้าพอดีนึกถึงไอ้จ่อยก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาไอ้จ่อยที่บ้านกะจะถามเรื่องซื้อเหล้าที่ร้านเยียเขียวเมื่อคืนสักหน่อยพอไปถึงก็เห็นแม่มันกําลังล็อกหน้าบ้านอยู่ก็เลยถามเอา้าแม่ไอ้จ่อยไม่อยู่บ้านหรอแม่ไอ้จ่อยก็มองหน้าแล้วก็พูดเหมือนคนเมื่อยลอยบอกแม่กําลังจะออกไปวัดลูกศพจ่อยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองเอา้าวคุณผู้ฟฟางตกใจมากขนลุกแทบช็อกหมดสติ ไอ้จ่อยเป็นอะไรแม่แม่ของจ่อยก็เลยตอบรถคว่ำตายแถวแถวโคราชนะลูกพอได้ฟังแบบนี้เนะะี่ะเนมนโนสํานึกตัวเองก็เลยรู้เลยทันทีว่าอ้าวไอ้จ่อยไปซื้อเหล้ากับยายเขียวซึ่งยายเขียวตายตั้งแต่สี่ทุ่มแต่ไปซื้อประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วไอ้จ่อยที่มานั่งกินเหล้ากับเพื่อนก็ตายที่โคราชระหว่างที่จะเดินทางกลับมาที่ต่างจังหวัดเมื่อคืนเหมือนกัน พอมาถึงก็เดินมาหาเพื่อนเลยแสดงว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่าไอ้จ่อยตายแล้วตั้งแต่ตอนเดินทางจะกลับมาต่างจังหวัดจากความเป็นห่วงไอ้จ่อยว่าจะโดนผียี่เขียวหลอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องห่วงตัวเองแล้วละะ่ะค่ะว่าตัวเองเนี่ยโดนผีไอ้จ่อยหลอกเข้าเต็มๆเลย ทีนี้มาฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะเป็นงานบวชเนนภาคฤดูร้อนประจาปีก็จะมีงานนี้ทุกๆปีนะคะในช่วงของเดือนเมษายนแล้วก็ช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งในย่านบางเขนค่ะเริ่มเรื่องเลยก็แล้วกันในช่วงเวลาบรรพชาบวชเนนที่ผ่านมาค่ะทางวัดกําหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นเนรที่มาบวชเนี่ยก็มีทั้งหมด50กว่าคนค่ะวันแรกเหตุการณ์ผ่านไปโดยปกติเปิดโครงการบรรพชากับเนนอยู่ในศาลารับรองหลังหนึ่งในวัด เป็นสารากระจกทั้งหมดเนี่ยติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ข้างๆเนี่ยมองลอดกระจกออกไปก็จะเป็น main mm. เมนเผาศพนะคะซึ่งวันนั้นก็จะมีการเผาศพแล้วก็เผาศพเพิ่งเสร็จด้วยโดยก็จะมีถาดที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้เพื่อรอให้ญาติมารับในตอนเชา้า การต้อนรับน้องเนนแล้วก็การแนะนําตัวพระพี่เลี้ยงผ่านไปด้วยดีค่ะคืออยู่ทางด้านสาราสวดศบ3าถึงสเนี่ยซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะคนที่เล่าเรื่องนี้เขาบอกว่าผมเป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้คอยช่วยดูแลเนนคือจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือห้องน้ำเนี่ยถ้าจะเข้าต้องเดินผ่านด้านหลังเมนไปนะคะและเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกก็ได้เกิดขึ้นในวันที่3หลังจากนานอ่าการฉันน้ําปนะเรียบร้อยแล้ว จะให้เนเนเนี่ยเดินกวาดรอบวัดโดยแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกค่ะกวาดทางประตูหลังวัดถึงสะพานอ่ากลุ่มที่2กวาดทางสะพานไปจนถึงรอบเมนกลุ่มที่3กวาดจากหลังเมนไปถึงศาลาหแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจากศาลาหถึงลานจอดรถตรงโกดังเก็บศพนะคะที่สร้างไว้เหมือนกับคอนโดที่ไว้ใส่ลงศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองค่ะ เรื่องนี้เกิดกับกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ก็คือกวาดทางสะพานวัดไปจนถึงรอบเมนนะคะซึ่งผู้ที่เล่าเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นพระพี่เลี้ยงค่ะบอกว่าผมเป็นคนกลุ่มนี้มากวาดเนนต่างก็เล่นกันตามประสาเด็กๆมีเนน3 4คนนึกพี่เรนยังไงก็บใหม่รุให้เด็กคนนึงอายุประมาณสิบสปีก้มมองลอดใต้วางขาเพื่อพิสูจน์คําโบราณว่าผีมีจริงไหม เด็กคนนั้นก็ก้มค่ะก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณว่าต้องอธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมนมีประตูลูกกรงเป็นลูกกรงเหล็กนะคะปิดไว้แล้วก็ล็อกกุญแจอยู่และด้านนอกประตูก็จะเป็นระเบียงปูนไว้สำหรับเป็นที่นั่งมีบันไดขึ้นไปทางหลังเมนได้เด็กคนนั้นมองลอดใต้วางขาเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนค่ะ จังหวะนั้นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งพระพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ที่เล่าเรื่องนี้นะคะได้เดินมาพอดีค่ะก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็เลยอ้ำอำอึ้งๆก็เลยพอจะเดาออกแหละว่าเจออะไรมาก็เลยคุมตัวเนรกลุ่มสองทั้งหมดเนี่ยมาที่สาลารับรองในวันแรกเด็กได้สติก็เริ่มเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่มองลอดใต้วางขาก็เจอเด็กสองคนซึ่งไม่ใช่เพื่อนๆของตัวเองที่บวชแน่นอน เป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่อะไรเลยปะแป้งตัวขาวทั้งสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งซึ่งพอได้ฟังก็ตกใจไม่น้อยค่ะเด็กก็เล่าต่ออีกว่าแค่นั้นยังไม่พอนะหลวงพี่เด็กก็เริ่มเล่าต่อว่าเห็นหลายคนอยู่บนเมนเผาศพหลังนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวสภาพเละๆก็มีซึ่งเมื่อได้รับฟังมาแล้วตัวของผู้เล่าเองก็ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพมาก่อนเนี่ยนะคะก็เคยร่วมงานกับสับ ป, ปะเิออยู่บ่อยครั้งหลังจากเด็กเล่าให้ฟังจนจบก็เลยไปห่มผ้าทําวัดเย็นให้เดินไปเป็นกลุ่มซึ่งก่อนเข้าโบสจํจำเป็นต้องเดินผ่านเมนเด็กคนที่เจอเหตุการณ์เนี่ยหันแว บ, บขึ้นไปบนเมนสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้นค่ะเนนเห็นเด็ก2คนนั้นและวิญญาณที่ตนเอง มองเห็นเมื่อตอนกลางวันเนี่ยกวักมือเรียกให้ขึ้นไปบนเมนซึ่งผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็พอจะจับท่ า, าท่าทีของเด็กออกนะคะก็เลยพูดไปบอกว่าเป็นวิญญาณก็อยู่ในส่วนของวิญญาณอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกัน หลังจากส่งเนนเข้าโบสแล้วก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติต่างๆที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะ2แผ่นนะคะเป็นชื่อเด็ก2คนเผาไปเมื่อปี58ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผาแล้วมันก็ตรงกับที่เนนเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นเด็ก2คนนี้หลังจากทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อย แล้วก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะคะก็เลยพาตัวของเนเนเนี่ยเดินขึ้นไปบนเมนเผาศพด้วยซึ่งมีสับ ป, ปะเลอะแล้วก็ผู้ติดตามขึ้นไปอีกก็เลยจุดทูบให้เนนยืนสงบนิ่งขอเข้ามาแล้วก็ว่าตามบอกว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าสัมเนนแล้วก็บอกชื่อตัวเองได้ล่วงเกินหรือลบหลู่ดูหมิ่นขอให้ท่านได้ปรดอาโหสิกรรมแล้วจะทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ พอพูดจบค่ะก็ให้เนนนำธูปไปปักที่หน้าเตาเพื่อเป็นการขอขมาหลังจากนั้นจะมาเจออีกทีหนึ่งคือคืนช่วงวันสงกรานต์เป็นวันพระใหญ่นะะมีงานวาดัดซึ่งทางวัดนี่เปิดให้ส่งน้ำพระเนนและญาติผู้ใหญ่หลังจากงานเสร็จิ้นในช่วงเย็นเนนก็เห็นเด็กสองคนเนียมายืนพนมมือไหว้ในชุดไทยของเด็กแล้วก็มีวิญญาณดวงอื่นเหมือนจะมารับส่วนบุญ ต่อจากนั้นอีก3ามวันเนนก็ลาศิกขากันไปนะคะเหตุการณ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ